แล้วก็อื่นอีกหลายอย่างของการอยู่วัดที่ว่าอะไรที่ไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วเนี่ยคือความลําบากทั้งหมดสําหรับหลายคนที่เคยไม่เชื่อก็ลองมาอยู่วัดแบบหลายๆวันบางทิอันนี้อยู่5วันอตจ่จะน้อยไปจริงอยู่เรามาเบื้องต้นนี่นะก็มาเริ่มเนี่ยามาลดละศีลหุ่นศีลห้าอะไรเนี่ยแต่ถ้าเราเปิดดูอ่านตามที่คนนู้นพูดคนนี้พูดเรื่องอะไรแต่ที่ตามพระไตรปิฎกเช่นการเวิบัตธรมเนี่ยมันต้องมีประโยติธรรมตามจั 15, นทร์สิบาเงี้นะต้องมีรัศสาขขง โพธิยปักริยธรรมอย่างงี้นะแล้วมีทั้งไหนจะต้องมีโพชงเจ็แม่เรียนรู้ระบบเวทนาร้อยแปดเรียนรู้มันตั้งเข้ามาเกี่ยวข้องอิติบาทสี่สมัคประธานสี่เอ๊ะแล้วมันมาเกี่ยวข้องอะไรการวิทยธรรมแล้วมาสอดคล้องได้ยังไงเนะี่ยมันจะเกี่ยวยังไงอยากจะถามท่านสตรีเตโชช่วยขยายให้ฟังหน่อยดิที่จริงบางคนได้ยินแล้วก็ยังไม่รู้เลยนะอะไรปักปกอะไร อะไรทำมเพราะว่าก็คงถ้าถ้าบางทีไม่สนใจหรือว่าศึกษาธรรมะบ้างเนี่ยก็คงไม่รู้หรอกนะพอที่ปักิยธรรมนี่คืออะไรหรือแม้แต่บางทีเอา ง, ง่ายๆอ่ะแค่บางทีแค่มรรคองคแปดพวชงเจ็ดใช่ไหมเราอาจจะได้ยินมาบ้างแต่เราไม่รู้หรอกว่าอะไรแต่มาเอา ง, ง่ายๆอย่างนี้ดีกว่า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 แม่มันขายที่หน้าเขาอะรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอาจจะมาเป็นคนที่พูดง่ า, งงายๆนะว่าแม่ถ้าทำอะไรทั้งทีแล้วถ้าทำแล้วมันมันไปไม่รอดนี่มันมันน่าอายอะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งแน่ใจขนาดนึงว่าเออมาแล้วเนี่ยเราต้องสู้ได้นะมันจะลำบากขนาดไหนเราก็ต้องสู้ได้แล้วเราก็จะอยู่เราก็ต้องอยู่จริงๆอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นขณะที่อยู่บ้านเนี่ยช่วงที่เริ่มจะ ตั้งใจว่าเอาละนาเดี๋ยวสมมุติว่าเดี๋ยวปีหน้าหรือว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะมาอยู่สันเตียโศกแล้วนั่นแหละช่วงก่อนหน้านั้นน่ะรู้ว่าที่วัดเนี่ยที่สันเตียโศกเนี่ยเขาทําอะไรบ้างนี่เอาละเราเริ่มไปจําลองที่บ้านเรานี่นะให้เหมือนกับสันตียโศกเริ่มเลยอะ่ะเขาตื่นเขาข้อะระฆังตั้งแต่ตีสามครึง่งใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็มามีเนี่ย อย่างที่ตอนเช้าๆเราจะเจอแต่ว่าช่วงนี้เราตีสี่ใช่ไหมแต่จริงๆถ้าปากติเขาเนี่ยตีสามครึ่งนะเขาระฆังเสร็จก็มารวมตัวกันที่ศาลาแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอาจามาก็เอาเลยเฉยคราวนี้เดี๋ยวต้องไปลองดูก่อนสิว่าจะไหวหรือเปล่าเพวันปกติเนี่ยไม่ตื่นเช้าหรอกปกติจะตื่นครับนู่นเจ็ดโมงแปดโมงเ้าโมงเนะพราะเราจะนอนดึกๆแต่คราวนี้พอตั้งใจว่าเอ๊จะลองปฏิบัติ ด, ดูสิ แล้วเขาบอกว่าชีวิตอย่างเงี้ยมันดีใช่ไหมเราก็จะลองอะ่ะเราะฉะนั้นก็เลยคราวนี้เอาเลยตั้งนาฬิกาปลุกอยู่ที่บ้านนะนอนให้มันหัวค่ำหน่อยเสร็จแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกตีสามครึงนางเกงขึ้นมาปับลุกลุกขึ้นมาเสร็จเอาเขาทําวัดใช่ไหมเราก็เอาสิคราวนี้ก็าหาเทพหาอะไรมานะสวดมนต์ไหว้พระเราก็พยายามเอาสวดมนต์ไหว้พระ คือพยายามเรียนแบบอะดูสิว่าเราจะไปไหวไหมอ่เสร็จแล้วพอถึงเวลาที่พระเทพเราก็ใช้หลวงพ่อเทปแทนก็ <c oughs> <ๆ> <c oughs> เรียกว่าหลวงพ่อเทปแล้วเราก็กดเทปของพ่อท่านเนี่ยเปิดฟังเสร็จเราก็นั่งเขาก็นั่งกันใช่ไหมที่นี่เขาก็นั่งฟังแล้ว เ, าเราก็นั่งฟังโอ้ไม่ม่เนี่ยอย่าบอกใครเลยเคารพพ่อท่านมากหม่ ๆ, <c oughs> ๆ่อะคงจะเข้าใจนะ โอ้ยนะโยกไว้กับยเอกมาเขาลบซ้ายทีขวาทีเ <c ười> ขาลบหน้าทีหลังทีอ่าโอ้ยใหม่ใเนี่ยโอ้มันฝืนจริงๆเพราะว่าเราไม่เคยอ่ะแต่พอฝึกไปฝึกไปเออมันกับมันก็ได้ฮะแลมันก็ได้จริงๆริงถ้าเราฝึกไปเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเวลานอนให้ไวขึ้นตื่นให้เช้าขึ้นก็เดิมที่เราเคยทํานั้นนั่นเองไอ้แต่ก่อนเนี่ย เ, เราเราปล่อยไปตามใจไงเราก็เลย คิดว่าเราทําไม่ได้แต่พอไปทําจริงโอ้มันได้จริงอั น, นเนี้ยเนี่ยเริ่มเริ่มแล้วนะเปลี่ยนจากเรื่องเรื่องไ อ, อ้การหลับการนอนและการตื่นนอนเสร็จแล้วตอนนี้ตื่นมาแล้วมาทําอะไร อ, ะอ่ะอ๋อพอพอเปิดเทปใช่ไหมเขาถึงสมมุติว่าถึงตีห้ึ่งอย่างเงี้ยเอาเราก็ตีห้าครึ่งเราก็เลิกเอาเราก็ลงมาแต่ก่อนเนี้ยคือลงมาสายๆเนี่ยลงมาก็ถึงก็อ่าสำหรับกับข้าวอะไรเตรียมเสร็จเรียบร้อย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 นะทําความสะอาดตู้เย็นทําความสะอาดอะไรเตรียมข้าวของเพื่อที่จะขายของไม่เคยรู้อกว่าใครตื่นก่อน <c oughs> แล้วใครมาทําอะไรบ้างแต่คราวนี้พอมาเห็นโอ้โหถึงได้รู้ว่าอะไรนี่เราก่อนไปนอนเนี่ยบางทีเราก็เห็นโยมแม่ก็นอนดึกอยู่แล้วอะ่ะคือบางทีนี่ อ, อะไรอะมักจะนอนทีหลังคนอื่นโอ้โหเสร็จแล้วยังตื่นแต่เช้ามืดอย่างนี้เลยแล้วยังมาทําอะไรเตรียมให้ นะลูกร้านมาหุงข้าวมาต้มน้ามาอะไรอีกเลยโอ้โหคราวนี้เราเริ่มรู้สึกละทีไอปกติเรามากินเลยนี่มันมันมันไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นขั้นตอนในการที่กว่าจะทํากว่าจะสําเร็จมาถึงขั้นนั้นเหมือนกับที่ตะกี้นี้พันเตยท่านก็พูดถึงว่ากินเนื้อสัตว์เน่ยเรามากินตอนที่มันแม้หอมกรุ่นอยู่ในจานเนี่ยเราก็ไม่คิดอะไรมากแต่ถ้าเราไปย้อน เห็นตั้งแต่ขั้นต้นมาใช่ั้มโอ้โหเขาฆ่ายางไงเขาชําแหละยังไงโอ้โหความเจ็บปวดของสัตว์เป็นยัไยงไงขราวนี้เหมือนกันอ่ะมันก็ชักโอ้โหสะกิดใจเราแล้วะันนั้นขราวนี้ก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหไม่ได้หรอกถ้าอย่างนี้แปลกนะพอเราเริ่มคิดจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยใจที่มันจะเสียสละหรือใจที่เราจะอะไรอ่ะขี้เกียจเนี่ยเออมันก็เริ่มลดลง คราวนี้โอ้โหเห็นแม่จะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราก็เอาช่วยสิก็ช่วยอะไรได้บ้างแล ก, ก็ถามว่าจะต้องทำอะไรบ้างช่วยช่วยทำเสร็จเช้าๆช้าบางทีโยมแม่ก็ใส่บาตรพระโอ้ยม่เคยคิดใส่บาตรพระมา ก, ก่อนเลย <c oughs> <c oughs> ในชีวิตเลยนะเออก็เริ่มเอาตอนนั้นนั้รึกเออจริงจริงก็ดีนะพระท่านเดิมมีตาบาตรมาโยมแม่ก็เอาอาหารมาใส่บาตรพระ เราก็รู้สึกว่าเออจริงๆเป็นบรรยากาศที่ดีเป็นความรู้สึกที่ดีใจก็เลยชักอยากใส่บาตรพระบ้างละแต่ก็ไม่ไม่ไม่แบบแย่งยมเขาใส่หรอกนะก็คิดว่าเออเราต้องไปตลาดเองไม่เคยในชีวิตไม่เคยไปจ่ายกับข้าวเองไม่เคยอะไรเองทังนั้นก็เลยคิดว่าเอเดี๋ยวเราต้องไปลองจ่ายตลาดแล้วก็เอามาทำกับข้าวเนี่ยเราจะได้เอามาถวายพระเองบ้าง ก็ไปเลยเหมือนกันคือคนเราเนี่ยนะถ้ามันมีจิตสํานึกที่ดีแล้วมีใจที่ใยธรรมะเนี่ยพูดง่ายใยความดีมันทําให้เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองคนเราเนี่ยถ้าไม่มีความดีมันมากระตุ้นมาทําให้เรารู้สึกดีๆขึ้นมาแล้วมันไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเวันข่าวนี้เนี่ยไปตลาดเลยไปถึง ก็ทำอะไรไม่เป็นนะ่ะจริงๆหุงข้าวก็ไม่เป็นหุงข้าวไม่เป็นผัดกับข้าวอะไรก็ไม่เป็นไปถึงก็เอาไปถามแม่ค้าเขาแหละที่ตลาดนะอย่างเช่นเกิดจะผัดถั่วฝักยาวไอ้ที่มันมันมีเครื่องแกงมีอะไรด้วยนะก็ไปถึงก็ไปถามเขาเลยว่าตรงไหนมันมีถั่วฝักยาวขายบ้างเนี่ยถามแม่ค้าเขาเอาเขาก็บอกตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ไป ไปซื้อมาก็ไม่รู้ละจะถูกจะแพงไงเราไม่รู้เรื่องอยู่แล้วก็ซื้อมาเสร็จอา้าวมันต้องมีเครื่องแกงก็ถามแม่ค้าเขาอีกว่าเครื่องแกงมันมีตรงไหนขายก็ไปซื้อเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ทําไม่เป็นที่ไหมก็ต้องถามแม่ค้าเขาว่าเอาอะไรลงก่อนเอาอะไรลงทีหลัง <c oughs> ถามแม่ค้าเขาเอา้าวถามจนได้เรื่องมานะก็ไม่รู้ล่ะได้เรื่องมาตามภาษาเราอะ่ะเอากลับมาถึงก็มาเอาเลยหั่นตามภาษาเรา นะทําความสะอาดเสร็จเอายนเข้ากระทะผัดอต๋ตมาไม่รู้เราเขาปรุงไงบ้างเราก็รู้แต่ว่าน้ํามันต้องใส่ก่อนแหละ <c oughs> ยังไงก็อันนี้รู้ อ, อให้มันเดือดหน่อยเอาเสร็จแล้วเ ร, เราก็ลงจําได้บางทีบางครั้งทําไปเนี่ยยังนึกอยู่ในใจเลยปะโอ้ยถวายพระท่านไปท่านจะฉันได้หรือเปล่าเนาะ <c oughs> บางครั้งก็ทำไม่บ้า <c> ง <oughs> บางครั้งก็ทำดำๆบ้าง <c oughs> นะแต่ก็ไม่รู้แหละยังไงก็นึกอยู่ว่า ก็ท่านเป็นพระใช่ไหมท่านต้องไม่ติดรสชาติอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วเพราะฉะนั้นเราทํายังไงท่านต้องฉันได้แต่ก็ยานทําเป็นบางสวิรัตนะไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ทำเป็นเนื้อสัตว์อะไรนั่นแหละแล้วก็จะเหลือไว้หน่อยนึงเพราะว่าอาจจะมาไม่ไม่ไม่ไมไมคือ ก, ก, ก, ก็มีความเชื่อเหมือนเหมือนคนที่เขาเชื่อเหมือนกันนะใส่บาเนี่ยว่าถ้าผัดอะไรแล้วห้ามชิมห้ามอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นผัดไปแล้วก็ไม่ชิมมันที ม่ไก็ไม่ชิมเหมือนกันเนี่ยถึงบอกว่ายัางไงถ้าเป็นพระท่านชันได้อะมันเราไม่จะชิมแต่สมมติว่าเตรียมว่าจะใส่บาทสักสาสามรูปเงี้ยนะอ่าเราก็จะเหลือไว้หน่อยหนึ่งเหลือไว้ลองดูบ้างว่ามันเป็นยังไงไอที่เราทําไปเนี่ยยังไงก็แหมก็สงสารท่านอยู่เหมือนกันนะนะถ้าเกิดเราทําไปแล้วมันแย่เกินไปไม่ก็เก็บไว้ทุกครั้งอย่าเก็บไว้เหลือไว้หน่อยหนึ่งเอาไว้ชิมเองเพราะนั้น พอเรารู้รสชาติใช่ไหมวันนี้โอ้โหตายระหว่างที่เค็มจะตายไปเนี่ยวอพวกนี้กันเนียกให้ลถหน่อยรดสีอิวรดสีอิวลงนะก็อย่างนี้เนี่ยปรากฏว่าเออมันก็ทําไปได้ฮะแปลกนะแต่ก่อนเคยรู้สึกว่าโอ้โหถ้ามันอย่างนี้แล้วตื่นเช้ามันลาบากจะต้องมาทำไอ้นี่นี่มันนมันยุ่งยากมันวุ่นวายแต่แปลกฮะถ้าใจเรามีธรรมะอยู่ในหัวใจแล้ว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 ถ้าจะสำเร็จนี่ต้องเริ่มแล้วต้องมีคนเขาบอกว่าไอ้ น, นี่บ้าแล้วไอ้ น, นี่บ้าแล้วแต่เราบ้านในทางที่ดีเนี่แหละลุงครับ เ, เปลี่ยนแปลงมาได้จริงๆแล้วพอปฏิบัติอย่างเงี้ยพอเริ่มลงร่องลงช่องเรารู้สึกว่าชักจะเชื่อมั่นตัวเองพอสมควรคราวนี้ถึงพอมาอยู่วัดมาอยู่วัดเลยโอย้ไม่ยากหรอกจริงๆเพราะว่าถ้าจะพูดไปนะอยู่บ้านนะทํายากยิ่งกว่าอยู่วัดนี่อีกเพราะอยู่วัดเนี่ยอะไรอะไรมันเกื้อกูลเนะี่ย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 ปจิบัติไม่ยากอะไรนะรู้สึกว่าง่ายรู้สึกว่าไม่ลำบากอะไรเลยเพราะว่าเตรียมเนื้อเตรียมตัวมาอาตมาตั้งแต่เริ่มปฏิบัติเริ่มกินมังสวิรัตตั้งแต่ปี21หนึ่งนะสนจนกระทั่งะจะมาอยู่วัดเนี่ยปีช่วงที่อยู่ที่บ้านแล้วปฏิบัติธรรมเนี่ยอยู่6ปีแล้วถึงมาอยู่ที่สันติโศกนี่เพราะฉะนั้น ช่วงนั้นนางก็ปฏิบัติเหมือนกับเราอยู่วัดนี่แหละเราใช้สัม น, นวนว่ายกวัดไปไว้ที่บ้านนะระวังอย่า ย, ยกบ้านมาไว้ที่วัดแล้วกันนะ <c oughs> นะอันนี้คือยกวัดเอาไว้ไว้ที่บ้านแล้วก็พอฝึกซ้อมมาแล้วมาม า, มาอยู่ที่วัดนี่ถึงบอกโอ้โหทําง่ายเลยหลายอย่างที่บางทีเนี่ยเรากลัวนะโอ้กลัวคนตีกลัวคนว่ามาอยู่วัดแล้วจะลาบากอย่า ง, างนี้ง่ายมากเพราะอยู่บ้านก็โดนคนว่า <c oughs> ไม่ใช่ว่าไม่โดน เบากว่าด้วยมาอยู่วัดนี่เบากว่านะเพราะฉะนั้นอนตาตมาก็เนี่ยพูดให้ฟังว่าถ้าเราเริ่มปฏิบัติจากการกินอยู่หลับนอนเราแล้วพอมาอยู่วัดแล้วสบายมากก็ตรงนี้ครับผมภัยบูลรณกรมลสุจริตพันธ์นะครับคือ <นะ S 2> อยากจะขอถานท่านสมณเจ้ากอบไทยน ะ, <ช>นะครับคือผมกับท่านเองเนี่ยก็ เ, ยเป็ น, นเป็นครับผมเป็นนักศึกษาสถาบันเดียวกันมาเนี่ยครับ <นะ S 2> นะ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 ใ น, ในหัวใจของท่านอยู่เต็มร้อยเลยใช่ฮะแต่ทำไมท่านไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาธรรมะนั้นไปบริหารความขัดแยง้งกับเจ้านายช่วงที่มาอยู่จุนพุทธรรมศาสตร์นะ mm hmm. ก็ทำกิจกรรมเผยแผ่ศา ส, สนาเือนกันอยากจะเปรียบเทียบตรงนี้เลย น, นะ mm hmm. เหมือนกับว่าเราเดินพูดธรรมะไปตามบ้านต่าง mm hmm. เราไม่รู้หรอกคนในบ้านเน่เขาฟังหรือไม่ฟัง mm hmm. เขาอุดหูฉันได้ซ้าไป mm hmm. คือคนบาคนเขาไม่พร้อมที่จะรับ แต่เราก็ตั้งใจทำงานศาสนาเผยแผ่เผยแผ่่เผย่นะโดยที่ตัวเราเองเ่ยก็ยังไม่มีการปฏิบัติมากเพียงพอตอนนั้นเราก็ยังเข้าใจว่าการทําคือการนั่งสมาธิดับตายเฉยโดยรูปธรรมภายนอกเราไม่มีรูปธรรมอะไรเลยที่เป็นนักปฏิบัติธรรมแต่เราพูดธรรมะเปรียบเทียบกับเมื่อมาอยู่ส so, นะันติสุขนะสมาก็มาร่วมควนการที่สันติสุขโดยการที่ปฏิบัติลดละในส่วนตนมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมาลดการกินการใช้โดยเฉพาะการแต่งตัว นะตอนนั้นปิดครวญาอยู่วัดกระนุงเกงขาเ ก, ก้อย่างพวกเราเนี่ยใส่เสื้อยีดขอกลมมีธุระครั้งหนึ่งไปซื้อของข้างนอกถนะสนสีลมไปกับยายทำหญิงที่นี่คนซื้อของก็นุ่งผ้าถุงไปไม่ใส่รองเท้าเหมือนกันเดินเดินไปอยู่เนี่ยมีป้าคนหนึ่งเข้ามาถามหนูหนูหนูทําไมแต่งตัวงี้ทําไมไม่ใส่รองเท้านะเราก็แค่ตอบคําถามว่าทําไมเราถึงแต่งตัวนี้ทําไมเราถึงไม่ใส่รองเท้านะ บอกว่าเราเปนะ็นนักปฏิธรรมเราต้องการฝึกตัวเองการไม่ใส่รองเท้าเพื่อเยื้อคือป้นกรว่าไปคี่จิงก็คือตอบคําถามแต่การตอบคําถามนั้นนะ่ะก็คือการเผยแพร่ธรรมะคือการขยายคือการสอนที่เขาได้รู้ว่าธรรมะคืออย่างนี้ความแตกต่างคือว่าอันนั้นคือผู้ถามเนะี่ยเขาเปิดใจเขาคล่องใจมากเลยว่าเราแต่งตัวนี้มันอะไรกันเขาเปิดใจที่จะรับอยากจะรู้ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วที่อยู่ธรรมศาสตร์ทากิจกรรมชนุนขุดเหมือนกันทำกิจกรรมเสอร์แช่ศาสนาเหมือนกันมันเป็นการจัดเยียดเป็นการบิบบังคับให้คนนู้นนี้โดยที่ว่าเจ้าตัวพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างแล้วก็ไม่เปิดใจให้เจริญรับรู้เราก็หยุดแล้วก็เลิกแล้วไม่ได้สนใจนั้นละแต่เรามาทําที่ตัวเราเองทําตัวเราเองจนเราสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนได้รูปธรรมที่ชัดเจนของเรานี่แหละกระแทกสายตากระแทกจิตวิญญาณของคนบางคนที่เขารับได้ที่เขาพร้อมที่จะรับ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 เพราะฉะนั้นโดยเฉพาะนะโดยเฉพาะถ้าเกิดตัวเราเองเนี่ยยังไม่มีรูปธรรมยังไม่อยู่ฐานะของการที่จะให้เขาเชื่อถือเช่นเรายังกินสูบเดิมเสพอยู่เรายังเขี่ยวเล่นเราแต่งตัวเสวยๆงามเราไปพู้ธรรมะให้กับลดลักกิเลสมันก็ไปให้ทฤษฎีเฉยๆว่าเราอ่านหนังสือมาแล้วเราพูดได้ธรรมะขอ้อนั้นข้อนี้อุปทาษขั้นห้าเล็กว่าไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยพอเรามาเปลี่ยแปลงตัวเองอยาป็นรูธรรมชัดเจนแล้วเนี่ยเราไม่ต้องพูดภาษาธรรมะก็ได้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 เมื่อคนแต่คนเกิดความรู้เข้าใจแล้วเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นมาได้จาก1น่หน่วยเป็นสหน่วยจาก2หน่วยเป็นสหน่วยนี่กะอารมณ้มีกี่คนสมมติถ้าในนี้เนี่ยสิคนร้อยคนเนี่ยสามารถไปเปลียไปตัวเองได้จากน้อยก็เกิดครึ่งมันก็เกิดอ ะ, อะไรขึ้นมาใหม่ๆในสังคมแล้วตอนที่จะมาไปอาสาสมัครหลังจากกลับมาปุ๊บแต่มาก็สรุปตอนที่ก็ไม่เให้ผูส้สรุปเขาบอกว่าไปปฏิสัตย์สมัครนได้อะไรนะหรือว่ามีอะไรบ้างแต่มาตอบเขาบอกว่าสังคมได้คนดีขึ้นมาหนึ่งคน เพรช่ที่ไปปฏิสมัมพันธ์ะธรรมะไม่แค่ได้การทำงานเศร็จสให้กับสังคมเท่านั้นแต่ธรรมาได้ในแง่ของธรรมะด้วยงั้นในตัวเองเราได้แล้วตัวเองก็เป็นตัวต่อเชื้อที่จะให้สังคมเนี่ยนะขย า, ายหรือเจริญได้ก้าวหน้าไปกว่านั้นอีกทำรองแดียรพวกคนที่มาอบรมที่นี่นะพวกคุณเกิดสามัที่สเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วพวกคุณเอาไปทําที่ตัวเองจนปรากฏเป็นรูปรธรรมรับรองคนรอบข้างรอบตัวคุณเหมือนที่ท่านสิริบูตรก็จะต่อให้คุณแอบซ่อนไงเขาก็ต้องรู้เมื่อเุ้ารู้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 ทำไมคุณทําตัวอย่างนี้ในเมื่อกระแสสังคมส่วนอย่ก็ทําอย่างโ น, น้นนะี่ยหรือแม้แต่เขาจะหาว่าคุณบ้าแต่หลายคนที่ไม่คิดว่าคุณบ้าบอกไอ้นี่มันบ้าแปลกแคสงสัยจังเลยขอถามหน่อยที่มันบ้าได้ยังไง <c oughs> นะต้องไปถามว่าเหตุผลยังไมาถึงบ้าเ <c oughs> มื่อคุณได้ตอบคาถามนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการกระจายความรู้อันนี้ไปแล้วเขาคนเหล่านั้นเนี่ยที่พร้อมนี่จะรับก็จะรับได้คนไม่พร้อมนี่เราปล่อยเข้ไปก่อนแต่คนที่ได้จะได้ไม่อย่างงั้น สังคมมโซกหรือชาวโซกไม่ขยายตัวและเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้หรือแม้แต่สมัยก็เชื่อว่าในกลุ่มคนของคุณ น, น, นี่นะร้อยคนเนี่ยชื่อเหอะไม่จบแค่ร้อยนะคนแต่ละคนถ้กลับไปบ้านไปช่องบางคนไปเป่ยแปลงตัวเองก็เชื่อว่าที่บ้านที่ช่องอ่ะนะจะต้องถามคุณก็ต้องตอบเมื่อตอปุ๊บเนี่ยในหลายคนนั้นก็ต้องมีบางคนแหละที่เขาจะมีพื้นฐานที่จะรับได้เมื่อเขาเข้าใจได้เขาก็จะไปเปลี่ยนตุ๊กแดงตัวเองเหมือนกันการเปลี่ยนแปลงตัวเองทําจากข้างใน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 กิเลสที่จะดิ้นออกไปข้างนอกเนี่ยเราไม่อยากทําละเพราะามันน้อยแล้วเพราะฉะนั้นเราการเป็นคนดีในสังคมการที่ช่วยสังคมได้นั้นคือว่าเราทรําที่ตัวเองให้ได้เป็นของจริงนั้นคือการช่วยสังคมที่แท้จริงเอาอขอตอบขอตอบแค่นี้นะท่านศุริมีอะไรเสริมช่วยให้หนึ่งนาทีอาตมาก็ยังคงย้ำะนะการที่จะเป็นผู้นําหรือว่าเป็นผู้บริหารใครก็ตามถ้าเราเองยังนําตัวเองก็ไม่ได้ บริหารตัวเองก็ยังไม่เป็นไปบริหารใครไม่มีใครเขารบไม่มีใครเขาศรัทธาไม่มีใครเขาเชอถือแลว้วก็ไม่มีใครเขาอยากจะทาตามนอกจากโดนบังคับเท่านั้นเองนะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็ทำให้คนนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะปกครองคนได้จริงๆหรอกเพราะว่าต่อหน้าเขาอาจจะยอมแต่รับหลังหรือว่าในใจเขาเขาไม่ยอมหรอก ว่าอันั้นไม่ได้เป็นการบริหารประเทศหรือว่าสังคมหรือว่าหมู่กลุ่มเพราะฉะการบริหารคนเนี่ยที่ดีที่สุดนี่นะต้องให้ใจเขายินยอมใจเขาศรัทธามาขอยกตัวอย่างของจริงนะจากที่ฟังพันเตท่านพูดมาอย่างอาตมาเนี่ยออกมาจากบ้านเนี่ยก็เหมือนท่านทำมาก็คือว่าโยมแม่ก็ไม่ชอบใจหรอนะโกรธอาตมาเลยด้วยซ้ำไป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 ค่อยแบบว่าชักเฉยๆลงกลับไปครั้งที่4ครั้งที่5อะไรเนี่ยค่อยๆเข้าไปพูดค่อยๆไปในที่สุดเนี่ยแต่หลังพอท่านลดความโกรธลดความไม่ชอบใจลงนะจิตชักจะปกติขึ้นแล้วก็พูดคุยแล้วก็บอกเล่าว่าเราทําอะไรยังไงบ้างซึ่งท่านก็ยอมรับอยู่แล้วว่าไอ้มาทําอย่างนี้มันดีใครก็ยอมรับว่าดีนั้นจิตท่านก็เลยชักจะค่อยๆค่อยๆ ย, ย, ย, ย, ยอมคุณเชื่อไหมจากไม่อยากให้เรามาบวชเนี่ย จนตอนหลังเนี่ยอาตมาก็ก็ปวดมาตลอดใช่ไหมโยมแม่นี่ต้องไปดูหมออยู่เรื่อ ย, น, ยนะไป <c oughs> ดูหมอให้อยู่ทุกปีอาตมาก็ยังโอ๊ยมันต้องไปดูหมอดูหมอหรอใช่ไหมคือดูเพราะเป็นห่วงเสร็จแล้วจนถึงกระทั่งคราวหนึ่งเนี่ยที่พวกเราโดนดำเนินคดีทันทีเขามาจับตัวไปเพื่อที่จะบังคับให้ศึกเว่ยง่ายเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าช่วงนั้นน่ยคราวนี้ มีคนไปถามโยมแม่บอกว่าเนี่ยว่ายังไงเนี่ยพระมณะลูกชายนี่เขาจะจับศึกแล้วเนี่ยก็ว่าเป็นพระเถื่อนเนี่ยเขาว่าเป็นพรนะ <c oughs> เถืเเ่อนจะจับศึกเสร็จป้บาบอกว่าคราวนี้ตรงข้างข้ามเลยนะจะอยากที่จะไม่ไม่อยากให้ลูกชายมาบวชใช่ไหมคราวนี้บอกไม่ได้ศึกไม่ได้ห้ามศึก <c oughs> ตรงข้างข้ามเลยคราวนี้บอกว่าเนี่ย ที่นี่เขาปฏิบัติดีเขาทําดีอย่างนั้นอย่างนี้นะโอ้โหแล้วอุษานะอาตมายังคิดไม่ถึงเลยพูดง่ายว่าวันนั้นอาตมาน้ําตาไหลเลยเพราะว่าโยมแม่เนี่ยโอ้โหอุษาไปเยี่ยมไปเยี่ยมพอโดนจับกุมขังไว้อยู่นะที่าบางเนโยมแม่อุษาไปเยี่ยมถึงที่เลยมาบอกโ อ, โอ้คือให้เห็นเลยว่าโยมแม่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโดยที่อาตมาไม่จะไปบอกไม่จะไปสอนไม่ต้องไปอะไรเลยนะแต่โยมแม่ได้เห็นว่า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 ว่าเรามีสโลกอยู่คำหนึงถึงบอกอใช้ว่าสังคมมั น, มนจะเลวร้วาเนี่ยสังคมมันจะแย่เนี่ยเพราะเพราะคนดีท้อแท้ทำไมคนดีท้อแท้เพราะบางทีโอ้โหมันสู้อยู่แค่คนสองคนกย็กย่องกะแยงมันสู้ไอ้สังคมที่เวลว้ายที่มันปั่นป่วนไปเนี่ยมันสู้ไม่ไหวหรอกต่อให้ยอดเยี่ยมยังไงคุณํำลองเคยที่จะเข้าไปใน วงการเมืองเพื่อที่จะไปแก้ไขการเมืองให้มันเป็นมาในทางทางดีทางที่มันแบบว่าสุจริตจุติธรรมอะไรแบบมากมันสู้ไม่ไหวหรอกเพราะอะไรเพราะนักการเมืองจํานวนมากไปยังไงมันไม่มีศิลธรรธมมันยังเห็นแก่ตัวคุณเข้าไปอนัต น, นะคุณกลายเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะตกอยู่ในวงล้อมชนิดที่เรียกว่าไม่มีปัญญาไปแก้อะไรได้หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ย